มีของอะไรของดีๆงามๆ ม, มีเข้าของเงินทองของที่รักจุดที่จะรักพุ้นเพื่อนผงลูกเมียเงินทองเมื่อเวลาเรามาราณะลงไปแล้วเพื่อนผงหมู่พวกที่รักสนิทกันจริงๆหรือลูกเมียยังเขาก็ตามไปสง่งได้แค่เมียน อาจจะไปสู่ทุกขติหรือทุกขตินัน่นตัวของตัวเองไปเองตัวบุญจะนําไปถ้าเราทําชั่วชะตั้งแเลว็วไม่มีสิมีทมอะไรก็ตัวบาปจะามประคับประโคมไปก็มีแค่นี้บุญนะมีจริงบาปมีจริงกูก็เที่ยอยู่แค่นี้เที่ยมากไปก็ไปไม่ไหวไปเที่ไม่ไหวมันมากเป็นเหตุถือว่าแต่บุญมีจริงบาปมีจริงก็พอเลย